กายใจโดยความเป็นธรรมแบบพระพุทธเจ้าบัญญัตินั้นจะต้องเห็นกายใจโดยความเป็นขันห้าอายตนะหกหรือยิ่งกว่านั้นคือถึงขั้นพร้อมแล้วที่จะสํารวจองค์อันเกือ้อกูลต่อการตรัสรู้ธรรมอันได้แก่โพชฌงเจ็ดเหล่านี้เป็นของละเอียดเป็นธรรมอันสุขุม จ, จึงต้องการจึงต้องการจิตที่ประนีตควรคู่กัน ความหมายของนิวรคือเครื่องกั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในธรรมโดยในของการปฏิบัติแล้วมีอยู่ห้าประการได้แก่หนึ่งกามฉันทะความพอใจยินดีในกามสองพยาบาทมีความมุ่งร้ายโกรธใจกรดแค้นสถินวิท t ะความม่วงเหงาซึมเศร้าสี่อุทธชาโกกุจจะความฟุ้งซ่านความวิตกกังวลความหมุดหิดรำคาญใจ ห้าวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยกล่าวโดยย่นย่อคือถ้าต้องการจิตที่ส่งคุณภาพพร้อมเห็นกายใจเป็นสภาวะธรรมก็ต้องเพียรกำจัดนิวรข้างต้นทิ้งเสี้ยให้หมดทำลองเดียวกันกับอยากเห็นโลกชัดเจนเป็นสีตรงจริงก็ควรต้องถอดแว่นสีต่างๆออกไม่ให้หลงเหลือเป็นม่านบางอันใดจะด้วยวิธีคิดหรือด้วยวิธีรู้ ด้วยแนวปฏิบัติตามอธยาั ย, ยอย่างไรนั้นไม่สำคัญขอให้ผลออกมาเป็นความหายไปจากเครื่องขวางก็เป็นพอ เชื่อมโยงกับหมวดก่อนหนะ้ากายเวทนาและจิตนั้นมีส่วนต่างกันโดยความเป็นรูปเป็นนามแต่เหมือนกันตรงความเป็นสภาวะธรรมเพราะฉะนั้นกล่าวได้ว่าถ้าฝึกหมดกายเวทนาและจิตมาดีพร้อมแล้วก็จะเป็นฐานให้เห็นสภาวะธรรมแน่ต่างๆในธรรมานุปัสสนาอย่างง่ายดายและรวดเร็วกล่าวคือเมื่อถึงตรงนี้เราจะแยกออกแล้วว่ากายเป็นอย่างไร เวทนาและจิตนั้นเป็นอย่างไรจะเฝ้าดูที่ตรงไหนฉะนั้นถ้าดูแล้วไม่เห็นหรือเห็นไม่ชัด ก, ก็สามารถทราบได้ทันทีว่าอาจมีนิวรณข้อใดข้อหนึ่งบดบังเข้าแล้วหมวดที่นำมาประยุกใช้ได้ใกล้เคียงกับนิวรณะบับมมากที่สุดก็น่าจะได้แก่จิตตานุปัสสนาในจิตตานุปัสสนานั้นจะเห็นชัดประการหนึ่งว่า พระพุทธองค์ดูทั้งตอนที่เจ็บดีและไม่ดีไม่ใช่ให้ภาวนาเฉพาะตอนเจ็บดีพูดง่ายๆว่าแม้กำลังจิตตกก็ต้องภาวนาไม่ให้ทอดอะไรขณะเดียวกันภาวะที่ดีก็ต้องไม่เผลอยึดมั่นถือมั่นลงนึกว่าคือหลักแหล่งที่อิงอาศัยที่ปลอดภยัยทอดทุระได้แล้วเพราะหลักของเจตานุปัสสนาที่ถูกก็คือต้องพิจารณาเปรียบเทียบอย่างละเอียดว่า แม้ภาวะแยบยอดระดับฌานก็ยังต้องเสริมลงปรับกลายเป็นภาวะธรรมดาสรุปอย่างง่ายคือในจิตตานุปัสสนานั้นพระพุทธองค์วางแนวทางให้เฝ้ารู้เฝ้าดูเฝ้าเปรียบเทียบเป็นหลักเมื่อเห็นความแตกต่างชัดแล้วด้วยสติอันคมชัดจะพัฒนาการสักแต่ว่ารู้ภาวะหนึ่งโดยความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในที่สุด แต่สำหรับนิวรณบัปนั้นนอกจากพระพุทธองค์จะวางแนวไว้ในรูปตามเป็นจริงเปรียบเทียบระหว่างภาวะมีกิเลสกับไม่มีกิเลสแล้วยังให้สืบทราบสาเหตุของกิเลสแต่ละชนิดด้วยหาทางละด้วยกับทั้งป้องกันไม่ให้เกิดกิเลสนั้นๆด้วยกล่าวโดยยด่นย่อเมื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างจิตตานุปัสสนากับนิวรณบาป อย่างดีก็จะตระหนักว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสอนให้รู้อย่างเดียวแต่ท่านสอนให้ละด้วยจิตตานุปัสสนาเป็นของใหญ่ครอบกลุ่มสภาพจิตครบถ้วนทั้งสภาพจิตที่ดีและก็ไม่ดีและแม้ตัวกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตนั้นเช่นกันในจิตตานุปัสสนาพระพุทธองค์จะให้พิจารณาราคะซึ่งกินในเมารวมความชอบใจ อยากได้ทุกกรณีแม้แต่ใครอยากเศษชานสมบัติก็จัดเป็นรูปราคะบ้างอารูปราคะบ้างถ้าว่านิวรณบัปจะเจาะลงลึกมาถึงความต้องการทางเพศโดยตรงในจิตตานุปสนาพระพุทธองค์ให้พิจารณาโทสะซึ่งกินในเหมารวมความขัดเคืองไม่พอใจอยากผักใสทุกกรณีแม้แต่ความกลัวก็จัดเป็นสมุนของโทสะ ทว่ า, น, วานี้วรณบับขอภัยค่ะนี่วรณบับจะเจาะลงลึกถึงความมุ่งร้ายหรือความผูกใจเจ็บที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายโดยตรงในจิตตานุปัสสนาพระพุทธองค์ให้พิจารณาโมหะซึ่งกินในเหมารวมความรู้ปัจจุบันตามจริงทุกกรณีนับแต่เบลอไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวไปจนกระทั่งความไม่รู้สภาวะตรงหน้าเป็นไตรลักษ าว่านนวรณบัปเจาะจงแยกออกมาเป็นเรื่องๆคือความม่วงเหงาซึมเศร้าวความฟุ้งซ่านรำคาญใจตลอดจนกระทั่งความลังเลสงสยัยในจิตตานุปัสสนาพระพุทธองค์ให้ใช้ราคะโทสะโมหะเป็นเครื่องผ่านเข้าไปเห็นจิตแต่ในนวรณบับนี้พระองค์ท่านให้พิจารณากิเลสหลักเป็นเครื่องขวางทางภาวนา ดังนั้นจึงกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าเราเจะขออภัยค่ะเราเหมาะจะกำหนดสติแบบจิตตานุปสนาเมื่อกำลังกิเลสอ่อนกว่ากาลังสติและเมาจะกำหนดสติแบบนิวรณะบัพเมื่อเห็นตามจริงว่ากำลังกิเลสแรงกว่ากำลังสติแนวทางกำจัดนิวรณของพระพุทธองค์หากพิจารณาจากพุทธพจน์ ที่ชี้แนวจัดการกับนิวรณ์ไว้พอจะนํามายอ่อเป็นหลักรวมไว้ดังนี้เมื่อนิวรณ์มีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่านิวรณ์มีอยู่ภายในจิตของเราหรือเมื่อนิวรณ์ไม่อยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่านิวรณ์ไม่มีอยู่ภายในจิตของเราอันหนึ่งนิวรณ์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยนิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว จะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยนิวรณ์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสรุปคือหนึ่งเมื่อนิวรณ์มีอยู่ในจิตก็รู้เมื่อนิวรณ์หายไปจากจิตก็รู้ไม่แตกต่างจากที่เคยดําเนินในจิตตานุปัสฐนาเหมือนกับหลักของการกำหนดสติรู้อาการของจิตทั่วไป คือเมื่ออาการใดถูกรู้อาการนั้นย่อมแสดงความไม่เที่ยงให้เห็น 2. รู้ต้นเหตุของนิวรณ์ประจำตนแต่ละคนจะแตกต่างกันเพรว่าตัวของตัวเองย่อมรู้แก่ใจว่าสิ่งใดเป็นต้นเหตุของนิวรณได้บ้าง 3. รู้ว่าหลุดออกมาได้อย่างไรบางคนอาจมีรูปแบบวิธีต่างๆที่แตกต่างอันนี้พระพุทธองค์ก็ได้ประทานแนวไว้กว้างๆแบบไม่จับจง แต่ให้ครอบคลุมทั่วหมด 4. รู้ว่าวิธีป้องกันไม่ให้เกิดนิวรณ์อันนี้พระพุทธองค์ก็ประทานแนวไว้ในต่างๆการต่างบุคคลหลายประการหลักการของพระพุทธองค์คือมีทั้งปล่อยและทั้งห้ามคือถ้าเห็นว่าอยู่ในจังหวะที่สามารถรู้ได้ก็ปล่อยให้เกิดแล้วดูมันหายไปเหมือนมองเฉยโดยที่ไม่เข้าไปข้องเกี่ยวอันใด ซึ้นความเห็นว่าเกิดแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดานั้นย่อยเข้าย่อมทําให้เกิดจิตเป็นกลางได้เองเหมือนเห็นไฟไหม้ฟางเส้นเดียวก็อยากจะเดือดร้อนวิ่งเต้นหาทางดับรอดูมันดับไปเองว่าจะดีกว่าแต่ถ้าเห็นว่านิวรณ์ครอบงําจิตจนไม่เป็นอันปฏิบัติก็ต้องหักห้ามกันด้วยเจตนาทั้งทางกายและทางใจต่อไป เหมือนเห็นไฟเริ่มลามทุ่งที่มีเชื้ออยู่รายรอบอันนี้ก็ต้องนอนใจไม่ได้ต้องหาอุปกรณ์มาดับเชื้อจากอังคุตรันิกายเอกทุกกนิบาตพระสุตตันตปิฎกเล่มที่ส2องพระองค์ตรัสไว้ทั้งเหตุให้เกิดและเหตุดับของนิวรณ์ชนิดต่างๆนำมาแสดงโดยสังเกตได้ดังนี้เหตุเกิดและทางละกามฉันทะ ดูก ร, ราภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นธรรมอื่นแม้แต่อย่างเดียวอันจะเป็นเหตุให้กามฉันทะที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นหรือการฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วได้ทวีตัวยิ่งขึ้นไปเหมือนสุพนิมิตดูก ร, ราภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลใส่ใจสุพนิมิตโดยไม่แยบคายการฉันทะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและการฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมทวีตัว อุดมสมบูรณ์โดุระพิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นทำอื่นแม้แต่อย่างเดียวอันจะเป็นเหตุให้การมฉันท่าที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นหรือกรรมฉันท่าที่เกิดขึ้นแล้วก็จะละเสได้เหมือนอสุภนิมิตโดุระภิกษุทั้งหลายในบุคคลใส่ใจอสุภนิมิตโดยแยกคายกรรมฉันท่าที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้น การชั้นท่าที่เกิดขึ้นแล้วก็จะละเสียได้สุภาพคือความงามนิมิตคือเครื่องหมายสุภาพนิมิตจึงเป็นสิ่งกระทบจิตที่มีความหมายในทางสวยงามถูกใจยั่วกิเลสให้หลงชอบได้อย่างเช่นรูปร่างหน้าตาของเพศตรงข้ามถ้าหากเราใส่ใจกำหนดเสียหน่อยไม่มองเฉพาะสิ่งที่ตาเห็นแต่กำหนดใจ รู้ตามจริงกระทั่งถึงระดับจิตสัมผัสประจักษ์ตามจริงว่ารูปสวยนั้นก่อให้เกิดด้วยสิ่งโสโครกนับจากหัวจรดเท้า เหตุเกิดและทางละพยาบาทด้วยพุททลีลาเดียวกันกับการแสดงทางมาและทางไปของกามฉันทะพระพุทธองค์ตรัสว่าปฏิฆะนิมิตเป็นเหตุหลักของพยาบาทปฏิฆะแปลว่าความขับแค้นความกระทบกระทั่งอันเป็นไปในทางก่อโทสะดังนั้นปฏิฆะนิมิตจึงเป็นเครื่องหมายที่กระทบใจแล้วเกิดความเดือดดาล เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เก็บค้างคาวไว้ในใจจะเป็นตัวอย่างดีที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของปฏิคหนอิมิตคล้ายภาพเสียงที่ผุดขึ้นหลอกหลอนไม่เลิกสูตรสำเร็จของพระพุทธองค์ในการละพยาบาทคือเมตตาเจโตวิมุตติหรือการเจริญเมตตาภาวนากล่าวคือหากฝึกเจริญเมตตาภาวนาก่อกระแสสุขนิ่งนวลได้ เป็นปกติเหมือนสายน้ำจากม่วงทะเลใหญ่ก็จะสามารถท่วมทับปฏิคนิมิตได้อย่างราบคาบปฏิคานิมิตสู้ไม่ได้เลยเหตุเกิดแห่งทางและและความง่วงเหงาเึื่อมเศรด้วยพุทธลีลาเดียวกันกับการแสดงทางมาและทางไปของกลามฉันทะเราพุทธองค์ตรัสว่าความไม่ยินดีความเกียดคร้านความบิดขี้เกียจ ความเมาอาหารและความที่จิตหดหูเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุหลักของความม่วงเหงาซึมเศร้าขอให้ทราบว่าความม่วงเหงาในแบบที่เป็นทินิทะนั้นแตกต่างจากความม่วงเพราะเปลียที่ทํางานมาอย่างหนักและก็ต้องการพักผ่อนบ้างความม่วงเหงาซึมเศร้าในที่นี้เจออยู่ด้วยความเกียดยังไม่ถึงความพักแต่ก็อยากจะพัก ยังไม่ถึงเวลานอนแต่ก็อยากจะนอนสตรสาเร็จของพระพุทธองค์คือการละความง่วงเหงาเซมเซาคือความคิดเริ่มก้าวไปข้างหน้าความภาคเพียรความบากบันขอให้ลองนึกถึงจังหวะที่เรากำลังมีความตั้งอกตั้งใจในการทำงานให้รุดไปที่เป้าหมายด้วยความเต็มใจยินดีจะไม่มีความม่วงเลยแต่ถ้าแน่ใจว่าเพียนถูกทางด้วยความเต็มใจยินดีแล้วยังง่วง ก็ขอให้ดูอุบายพิเศษที่พระพุทธองค์ประทานไว้แก้ง่วงโดยตรงกับพระโมคคลาในบทนี้จะเห็นว่ากี่พันปีล่วงไปก็ยังคงใช้ได้ผลเป็นอย่างดียิ่งสำหรับมนุษย์ผู้หวังความก้าวหน้าในทางการปฏิบัติภาวนาเหตุเกิดและทางลากความฟุ้งซ่านรำคาญใจด้วยพุทธลีลาเดียว กันกับการแสดงทางมาและทางไปของกามฉันทะพระพุทธองค์ตรัสว่าความสงบแห่งใจเป็นเหตุหลักของความฟุ้งซ่านขออภัยค่ะความไม่สงบแห่งใจเป็นเหตุหลักของความฟุ้งซ่านกล่าวคือพระองค์ตรัสเข้าไปถึงสภาพจิตของแต่และคนตรงๆว่าปกติมีแนวโน้มจะกระเพื่อมไหวมากน้อยเพียงใด คนเราเคยชินที่จะปล่อยให้จิตใจตระเวนไปล่องเลื่อนไปตามวิมานในอากาศในอดีตบ้างในอนาคตบ้างเป็นนักสะสมขยะบ้างเป็นนักก่อเรื่องบ้างล้วนแล้วแต่ทำให้ธรรมชาติของจิตขาดความสงบความไม่สงบนั่นเองก่อพายุความคิดให้เอื้อถึงไม่หยุดหย่อน ทั้งที่ไม่น่าจะมีอะไรต้องคิดก็คิดยากจะบังคับควบคุมสูตรสำเร็จของพระพุทธองค์ในการลากความฟุง้งซ่านรำคาญใจคือความสงบแห่งใจคือถ้าเข้าใจว่าสร้างปัใจจัยให้จิตมีปกติสงบลงกว่าเดิมได้อย่างไรก็เป็นโอกาสลดโรคฟุ้งลงอย่างมากบทนี้จะกล่าวไล่มาตามลำดับนับแต่สถานที่บุคคลแวดล้อม ตลอดไปจนกระทั่งพฤติกรรมอันสงบเย็นในคันลองของทานศีล ส, สมาธิและปัญญาเหตุเกิดและทางละความลังเลสงสัยโดยพุทธลีลาเดียวกันกับการแสดงทางมาและทางไปของกามฉันทะพระพุทธองค์ตรัสว่าความไม่ใส่ใจโดยแยบกายเป็นเหตุเหตุเกิดแห่งความลังเลสงสัย ความสงสัยนั้นเป็นไปได้หมดไม่ใช่เฉพาะสงสัยเรื่องวิธีภาวนาแต่รวมปรากฏการที่เกิดขึ้นระหว่างภาวนาด้วยสู่สําเร็จของพระพุทธองค์ในการละความลังเลสงสัยคือความใส่ใจโดยแยกคายบทนี้จะมีตัวอย่างวิธีพิจารณาโดยแยกคายเพื่อกจัดความลังเลสงสัยให้สิน้นสรุปแนวทางแก้นิวน้วอน ใครจะมีอุบายในการกำจัดนิวรณ์อย่างไรก็ตามพึงสังเกตด้วยว่าต้องไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงเช่นก่อ น, นิวรณ์ข้ออื่นขึ้นแทนข้อสังเกตนี้จะได้ไม่ทำให้คนบางคนอ้างที่จะหาอุบายกระตุ้นจิตเหมือนพระบางนิกายเห็นว่าฟุ้งซ่านเพราะเกิดราคะจากการที่จะพิจารณากายเป็นอสุภะตามสูตรสำเร็จของพระพุทธองค์ กลับมีความเห็นวิปลาสคลาดเคลื่อนไปว่าควรเสพกามให้หายฟยุ้งเสียจะได้มีความปลอดโปร่งเหมาะแก่การนั่งสมาธิต่อไปแล้วอ้างความจำเป็นในการกำจัดนิวรหรือความไม่ยึดมั่นถือมั่นแข้งครัดแบบภาระอะไรให้เป็นทุกข์หรืออ้างว่าพระพทุทธองค์ประธานอนุญาตให้ถอนวินัยบางข้อได้ หากแพ้นหลักการว่านิวรณทุกตัวต้องถูกกำจัด ก, ก็จะมีการสืบสวนอย่างรอบคอบว่าเรากระทาจิตให้เหมาะควรแก่การพร้อมเห็นกายใจเป็นสภาวะธรรมแล้วหรือยังหากมีนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งตกค้างอยู่ก็ต้องจี้เข้าไปหาจุดโดวยวิธีแก้ที่ถูกทางปราศจากผลกระทบข้างเคียงจึงนับว่าเป็นผู้สามารถผ่านนิวร์บัพ ขออภัยค่ะผ่านนิวรณบัพไปได้สำเร็จอุบายกำจัดกามฉันทะความหมายของกามในกามสุปตนิเทศที่หนึ่งพระสุตตันตปิฎกเล่มที่ยี่สิบเอ็ดกามหมายถึงทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมหากกล่าวถึงกามโดยเป็นรูปธรรมก็เรียกว่าวัตถุกาม คือวัตถุอันณาใกล้หรือกรมคุณห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอณนนาปรารถนาหน้าใกล้หน้าพอใจเป็นที่รักประกอบได้กามและที่สาคัญคือเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดซึ่งนั่นย่อมหมายความว่าถ้าเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดของคนหมู่มากก็จัดว่าเป็นวัตถุ ก, การรมเลิมตามค่านิยมประจำสังคมนั้น หากล่าวถึงกามโดยความเป็นธรรมก็เรียกว่ากิเลสกามจะหมายถึงตัวกิเลสที่มีอยู่ในใจหรือธรรมชาติที่ทําให้เกิดความใคร่เช่นเรามองใครว่ากิเลสหนาบ้ากามหรือตัณหาจัดก็แปลว่าคนคนนั้นมีพฤติกรรมเป็นที่สะท้อนระดับกิเลสกามที่สูงกว่าปกติธรรมดาเป็นต้น การทำความเข้าใจกับความหมายของกามอย่างดีจะทำให้เกิดมุมมองแจ่มชัดเช่นมีวัตถุกลามตั้งอยู่แต่หากปราศจากสะพานเชื่อมโยมคือความตรึกนึกถึงวัตถุกลามใจเราก็ย่อมปราศจากกามกิเลสกับทั้งจะเห็นชัดว่าควรทำการสำรวจสิ่งใดก่อนเป็นอันดับแรกในตน ยอดสุดของกามความพอใจกามเป็นเรื่องเฉพาะตัวความน่ายินดีจะแรงหรือเบาล้วนแปรผันไปตามบุคคลในปัญจราชสูตรพระสุตตันตปิฎกเล่มที่เจ็ดนั้น เป็นบันทึกเกี่ยวกับเรื่องที่ครั้งหนึ่งมีพระราชาถกรรมกันโดยมีความเห็นแตกต่างกันระหว่างรูปเสียงกลิน่นรสสัมผัสอะไรคือยอดแห่งกามเมื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทูลถามพระองค์ท่านก็ตรัสตอบว่าดูกระมหาบอพษยอดสุดแห่งความพอใจนั่นแหละตาทาคตกล่าวว่า เป็นยอดในบรดากามคุณทั้งห้าชนิดพร้อมกันนั้นพระพุทธองค์ก็ให้เหตุผลไว้ได้วยว่าคนเราชอบอะไรไม่เหมือนกันยกเอาพระราชาทั้งหลายที่ให้น้ำหนักพิสวาารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแตกต่างกันนั่นเองใครชอบอันไหนก็ว่าอันนั้นคือกรมอันยอดเยี่ยมสำหรับตนดังนั้นแทนที่จะมองตัวผัสสะ ที่ถูกจึงต้องมองที่ตัวของใจอันชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเฉพาะตนนั่นเองหากเราทราบยอดสุดแห่งกรรมประจำตนเองก็เหมือนรู้ตัวหัวหน้าโจรถ้ากำจัดจะได้จะทุ่นแรงลงมากตัวอย่างเช่นวัตถุกรรมหลักสำหรับผู้ชายนั้นแน่นอนว่าต้องเป็นรูปหญิงทาทีที่มีต่อรูปหญิงจึงควรชัดเจน ในมหาปริญนิพานสูตรพระสุตตันตปิฎกเล่มสองพระอนนทูลถามว่าพระพุทธองค์ว่าพิสุทั้งหลายพึงปฏิบัติต่อสตรีเพศอย่างไรพระองค์ตรัสตอบว่าไม่เห็นเลยดีที่สุดพระอนนทูลถามว่าถ้าจำเป็นต้องเห็นจะให้ทำอย่างไรพระองค์ตรัสตอบว่าถ้าต้องเห็นก็อย่าคุยด้วย พระอนุนุนทลถามว่าถ้าจำเป็นต้องคุยด้วยจะให้ทำอย่างไรพระองค์ท่านตรัสตอบว่าถ้าต้องคุยด้วยก็ให้ตั้งสติไว้สรุปคือพระพุทธองค์สนับสนุนผู้ออกบวชหรือผู้ตั้งใจเก็บตัวบำเพ็ญเพียรในสติปัฏฐานสี่เพื่อความหลุดพ้นให้ห่างจากวัตถุกรามชนิดไม่เห็นเลยได้ก็ดีลองนึกดูระหว่าง เอาผ้าผูกตากับเอาเชือกมัดมือมัดเท้าอันไหนง่ายกว่ากันการไม่เห็นเลยคือไม่เอาของใหม่เข้าและรื้อถอนของเก่าที่มีอยู่ออกให้หมดซึ่งแน่นอนว่านั่นคงเป็นเรื่องของบันพชิตหรือผู้ตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าจะสละโลกเพื่อเพียรทำมกผลนิพพานให้แจนหรืออย่างน้อยที่สุดก็ผู้ที่มีความจำนงงดกาม ด้วยการปลีกวิเวกไปในที่ต้องพบเจอภาพย้อยยวนต่างๆนา น, นาผู้ภาวนาเป็นส่วนใหญ่แม้ยังต้องอยู่ในเมืองก็เลือกเอาตัวออกห่างจากสื่ออันล่อหูล่อตาทั้งหลายเช่นโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์ชนิดมุ่งปรุงกิเลสกามให้ท่วมทนแต่ถ้าต้องเห็นต้องมีปฏิสัมพันธ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตามมารยาสังคมก็ต้องตั้งสติไว้ตรงการตั้งสตินี้ทำอย่างไรก็คือไม่ตรึกนึกไปในความหมายทางการนั่นเองดังเช่นที่พระองค์ตรัสไว้ในเทวทาวิตกสูตรพระสุตตันตปิฎกเล่มที่สี่ดูกราภิสูตทั้งหลายภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงวิตกใดๆมาก เธอก็มีใจน้อมไปข้างวิตกนั้นๆดวงกุภิกสุทั้งหลายคือถ้าภิกสุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงการวิตกมากเธอก็ละทิง้งเนกธรรมวิตกเสียมากระทําอยู่แต่การวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็น้อมไปเพื่อการวิตกอาจนับได้ว่าเรื่องเส้นผมบงผังภูเขาพูดไปเหมือนกำปั้นทุกดิน แต่ความจริงก็คือถ้าตั้งสติไม่คิดสัอย่างเดียวจิตก็ไม่ไปผูกกับวัตถุกลามสำคัญคือจิตเป็นสิ่งยอกย้อนกลับกรอบควบคุมให้เป็นไปดังใจไม่ได้แม้ตั้งใจจะไม่คิดมันก็คิดเช่นนี้จึงต้องใส่เหตุใส่ปัจจัยให้หมดความตรึกนึกเกี่ยวกับกามลงอย่างเป็นธรรมชาติเรียกว่าไม่เอามาตั้งแต่จิตเลยทีเดียว การรู้ราคาโดยความเป็นอนิจจังพระพุทธองค์ตรัสไว้ในสัญญาสูตรพระสุตตปิฎกเล่มก้าวความว่าการหมายรู้ความไม่เที่ยงอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมครอบงามกามราคาทั้งปวงได้ในระดับความคิดถ้าคิดบ่อยๆคิดเป็นประจำเช่นดูว่าคนหล่อคนสวย จะต้องโสมลงเป็นธรรมดาแม้ดูสดใสสะดุดตาแค่ไหนวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสภาพลงหากคิดจนกลายเป็นอัตโนมัติก็เรียกว่าเป็นการเจริญความหมายรู้อันดิจังได้อย่างหนึง่งพุ่งเป้าไปที่วัตถุกรรมโดยเฉพาะในระดับสติสัมปชัญญะชั้นดีถ้ากำหนดรู้บ่อยๆรู้เป็นประจำว่ากายเราไม่เที่ยงนับแต่ลมหายใจ เอริยบทอวัยวะน้อยใหญ่หากรู้จนเกิดสำผัสภายในแม้เมื่อมองผู้อื่นก็ยังรู้ได้เช่นเดียวกันก็เรียกว่าเป็นการเจริญความหมายรู้อนิจจังได้อีกและพุ่งเป้าไปที่วัตถุกลามโดยเฉพาะเช่นกันอย่างไรก็ตามสำหรับอุบายในนี้วรณบับนั้นพระพุทธองค์ให้มุ่งกำหนดรู้อนิจจังของกิเลสกาง รล่าวคือตัวความรู้สึกอันเป็นภายในของเราเองลองรู้สึกเฉยๆว่ากำลังเอาตาดูรูปเอาหูยินเสียงหรือเอาอายตนะใดไปรับรู้วัตถุกรรมชนิดไหนจะเห็นเองว่าภาวะเสพเสวยอารมณ์อันเป็นวัตถุกรรมนั้นเริ่มต้นแต่มีความดึงดูดแรงแต่ทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรกับมัน พักหนึ่งจะค่อยๆ ค, คลายแรงดึงดูดลงจิตเหมือนอยากจะหันเหไปสู่สิ่งอื่นแทนหรือออกไปทางมือทางฟุ้งหมดความยึดจับอารมณ์นั้นๆเองหากผู้มีจิตตั้งมั่นดีจะเห็นความหนักเบาที่แปรตัวไปอย่างแจ่มชัดแต่หากปกติจิตฟุ้งอยู่ก็จะสังเกตไม่ถนัดรู้แต่ว่าจังหวะของความดึงดูดแรง และความดึงดูดอ่อนไม่สม่ำเสมอจริงๆซึ่งนั่นก็น่าพอใจและใช้ได้ระดับหนึ่งเนื่องจากในขั้นต้นพระพุทธองค์เพียงให้เปรียบเทียบระหว่างมีกับไม่มีเท่านั้นไม่จำเป็นด้วยซ้ำที่จะต้องรู้ว่ากลางชันท่าหนึ่งๆผ่านอายตนะใดเข้ามาอยู่ในจิตระ